เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ จะเอวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ก้บมือข้างขวาจรวดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบา พ่อลูกพ่อสบายๆคลายกับตอนที่เรากลาจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า ก, กดลูกในตาเนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่น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 ร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งลว่า ง, างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวงภายในลยคล้า ย, ายท่อแก้ว ท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปร่งเป็นที่โล่งลงว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส คราว น, นี้เน่เราก็มาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรอุคพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิด มาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายทางเดินของใจนะมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากจ้องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สอง อยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลตรงหัวตานั้นนะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกลักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารจำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นํามาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นตัดกันเม็กา ก, ากาบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ยากใสบริสุทธ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ทมดวงนี้นี่สำคัญมากถ้าไม่มีทมดวงนี้นี่กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ ทำดวงนี้จึงทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็ร่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็รวงโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยทำดวงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า ถ้าใครฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนถ้าได้ทำก็ทำได้ทำไม่ได้ไม่เพียงประการเดียวก็คือไม่ได้ทำหรือทำไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราอุ่นใจว่าทำความเพียรไปเถิดให้ถูกหลักวิชา ทุกวันทุกคืนในสม่ำเสมอเราจะต้องเข้าถึงทำกันอย่างแน่นอนไม่ถึงเป็นไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลิกวิตกกังวลเลิกท้อแท้ท้อถอยกันเมื่อเรายังทำไม่ได้ผลเพราะทมตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าต้องได้แน่ ฐานที่เจ็ดนั้นนะอยู่เหนือจากฐานที่หนีนะ้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดทั้งหมดเจดฐาน เป็นทางเดินของใจไปเกิดมาเกิดต้องอาศัยทางนี้แหละสําคัญทุกฐานแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนันติพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ เป็นทางเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสมหวังในชีวิตแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เราก็ถึงความรู้ที่แท้จริงจะเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็มีใจชนดแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพรตันตนาัยในตัวด้วยฐานที่เจ็ดในจริงซ้ำกัน เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเกิดลำมาเกิดแล้วแต่ดับคือตายก็ต่างตายตรงนี้แล้วตรงนี้สำคัญเป็นทางไปสู่ปรโลกถ้าใส่ไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปถ้าหมองไม่ผ่องใสทุขติก็เป็นที่ไป หลักวิชานะมันมีกันอยู่ตรงนี้เราฟังกันทุกอาทิตย์เพื่อตอกย้ำความทรงจำของเราเนี่ยให้มันแน่นกันไปเรื่อยๆจะไล้ไม่ชะล่าใจไม่ประมาทในเมื่อเราจะหลีกเลี่ยงความตายและไปสู่ปรโลกไม่ได้ต้องฝึกซ้อมตรงนี้เอาไว้ให้ดี ซ้อมกันทุกวันวันละหลายๆครั้งทำให้เป็นให้ได้ให้มันใสให้ได้ฝึกซ้อมหลายวันแพชนะกันกับวันเดียวในวันสุดท้ายเนี่ยสงครามศึกจริงพบสุกติและทุกตินั่นแหละเราจะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยถ้าใจใสแล้ว มันจะมีแต่ภาพที่ดีๆมันเกิดขึ้นเราจะหนีภาพไม่ได้นะจ๊ะกรรมนิมิตกรรมารมณ์กรรมนิมิตหนีภาพของการกระทาไม่พ้นบบเลยนหละซึ่งกรรมนิมิตจะทําให้เราเข้าถึงคตินิมิตก็จะมีภาพคตินิมิตอีกกันแหละภาพที่จะไปสุ่คตินั่นแหละจะทุกคติและสุคติ เพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายต้องสดใสต้องสวยงามเป็นภาพสรุปงบดุลของชีวิตและภาพอะไรไม่เกินไปกว่าดีเกินไปกว่าภาพดวงธรรมหรือองค์พระจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรกันแล้วแต่เวลาใจใสแล้วตั้งไดภาพอย่างนี้ ดวงใสหรือองค์พระใสใสที่จะนำเราไปสู่สุขติภพเพื่อทำให้ชีวิตหลังจากตายแล้วนั่นะมีแต่ความสุขสมหวังอันยาวนานกว่าตอนที่มีกายมนุษย์นี้อยู่มันนานถ้าจนกระทั่งเรานึกไม่ถึง หรือไม่ก็จะเชื่อซะด้วยมันจะนานอะไรจะขนาดนั้นทั้งสุขติแล้วก็ทุคติทุคติเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแต่สุขติเป็นสิ่งที่ควรไปในการที่เรามาฝึกฝนอบรมใจเนี่ยฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งก็เพื่อต้องารให้ใจใส่ เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราได้มีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยนึกเลยว่ามีความสุขชนิดนี้มาก่อนแต่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเพิ่มเติมขึ้นจากที่เราได้รู้ได้เห็นด้วยตามนุษย์เนี่ยมันจะมีความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้น เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทาให้ชีวิตปลอดภยัยแล้วก็มีชัยชนะมีความสมหวังในวิญญาจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญด้วยเพาะต้องซ้อมต้องฝึกเอาไว้นี่คือกรณียกิจคือกิจแท้จริงหรือ ง, งานทแท้จริงของมวลมนุษยชาติของตัวเรา ส่วนกิจจึ่งอื่นเป็นอาการณียกิจที่จะไปเที่ยวเตะสนุกสนานเพลดิลดเพลินเพราะมันกำมืใจมีประโยชน์อะไรโลกใบนี้ที่เรามาเกิดไม่จะเป็นโลกแห่งความสนุกสนานเพลดิลดพลินแต่เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีของเราในให้มันกลั่นกล้าเพิ่มเติมขึ้น มีรร ม, มาหากินกับธรร ม, มาสร้างบารมีเท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องหลักเมื่อกายอยากต้องกินต้องใช้เราก็ทร ม, มาหากินกันไปประกอบสัมมาชิวะกันไปแต่กิจที่แท้จริงคือการหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นกรณีอยากิจเป็นงานที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยาชาติทั้งหลาย ก็ให้ใจมันใสพอตอนสุดท้ายของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงภาพไม่ได้เราก็จะต้องให้ได้ภาพที่ดีในพูดถึงการตายอย่างปกติที่ไม่ใช่โดยอุบัติเหตุนะจ๊ะเราหนีภาพไม่พ้นเพราะฉะนั้นต้องให้ใสเอาไว้ฝึกกันไปทุกทุกวัน ต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยอย่าไปเกียจค้านขีเกียดปฏิบัติธรรมแต่ขยันทาอย่างอื่นอย่าไปใช้ชีวิตยอย่างนั้นกันนะลูกนะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นะจำกัดจํากัดจริงๆไอ้ที่ผ่านมาก็ทิ้งเปล่าไปเะแางเยอะ ตงสร้างบารมีก็นไปได้นิดนิดหน่อยหน่อยและเวลาที่เหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะมันนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้เนะี่ยเอามาใช้ให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์อันสูงสุดโดยการสั่งสมบุญบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะตอนนี้ เรากำลังจะทำกิจสำคัญคือภาวนาซึ่งฐานที่เจ็ดตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือเหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือจำให้ดีนะลูกนะตรงนี้คราวนี้เราก็น้อมเอาภาพองค์พระในกลางดวงแก้วองค์พระกลางดวงแก้ว ที่ท่านนั่งรลับตาเจริญภาวนาหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราน่นคือมองจากด้านบนเนี่ยลงไปด้านล่างตั้งแต่ปลายเกศดอกบัวตูมที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียนที่เลียงรายไปด้วยเส้นประศกเส้นผมที่คตเป็นทักษิณาวัด หมุนขวาตามเข็มนาฬิกากเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเป็นท่องแถวอย่างนั้นที่เรามองเห็นเนี่พระเสียรแต่งอยู่บนบ่าคอนะเราไม่เห็นหรอกบนบ่าทั้งสองบนไหลแขนทั้งสองฝ่ามือที่งายขึ้นนิ้วชี้มือขวาจะลดนิ้วหัวเป็มือกลางซ้าย เหมือนกายหยาบอย่างนี้แหละวางบนหน้าตักที่ขาขวาทับขาซ้ายใสตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสเหมือนกระจกใสเหมือนเพชรติดต่องแสงมีประกายเจิดจ้านั่งอยู่บนแผ่นชาญในกลางดวงแก้วที่ครอบเอาไว้ อยู่ในกลางโดมแก้วจําภาพนี้ให้ดีนะลูกนะนึกบ่อยๆที่นอกเหนือจากเวลานั่งให้นึกเอาไว้นึกนึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็นึกได้นึกได้มันก็เห็นได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะ ที่เรายังเห็นไม่ได้ก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ที่นึกไม่ได้เพราะมันไม่คอยจะนึกกันไปนึกเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธรรมะกินครอบครัวเรื่องอะไรที่มันไม่คอยจะเข้าท่าเท่าไหร่นะไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารแล้วก็เอาไปใช้ในตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ได้นะมักจะเป็นนึ ก, กนในเรื่องอย่างนั้นเปิดทีวีดู วิดีโอดูดูหนังดูละคร อ, อะไรกันไปซึ่งคืนเอาภาพเหล่านั้นให้มันติดกลางใจเวลาตายจะไปไหนก็นึกเอากลัแล้วกันแต่ภาพที่สำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้นึกซึ่งเป็นภาพที่สำคัญต้องเอามาใช้ถ้าเรานึกบ่อยๆก็นึกได้นะลูกนะนึกได้มันก็เห็นได้ เห็นไหมมันเป็นขันเป็นตอนไปเรานึกได้มันก็เห็นได้เพราะเห็นได้เราก็ศึกษาได้ศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้เคยศึกษาว่าชีวิตมนุษย์มีแต่เรื่องกิน เรื่องกามเรื่องเกียรติบนเวียงนอยู่อย่างนี้เรื่องกลัวกินกามเกลียดกลัวเนี่ยอลจจได้อ่านหนังสือนั่งหาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเรื่องอภัยภูมิมาได้ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นความรู้ในระดับพื้นผิว ทราบแต่มันยังไม่ซึ้งมันยังตื่นตื่นอยู่ที่ที่พอเรามาทำอย่างนี้ได้เราก็าเรียนรู้ได้เพิ่มเติมว่าเออภายในกายของเรานี่เนาะเวื่ใจหยุดแล้วเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวที่นอกเหนือจากแสงสว่างภายนอก เราเคยเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์แสงไฟแสงเทียนอะไรอย่างนั้นเป็นตน้นแต่เออมันมีแสงในตัวเ้วยนะแต่วันเนียนละมุนละมอยละมุนละ ม, ละมยตาแตกต่างจากแสงภายนอกเห็นไหมจ๊ะความรู้เราเพิ่มเติมแล้วเออมันมีความสุข ที่แตกแตกต่างลึกกว้างไม่มีถ้อยคำที่จะเอามาใช้กับความสุขภายในที่เราได้ไปสัมผัสนี้นะแต่เรารู้ด้วยใจยากที่จะรู้ด้วยคำด้วยถ้อยคำเห็นไหมเรามีความรู้เพิ่มแล้วเออ ม, มันมีความสุขชนิดนี้อยู่นะ เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เพิ่เมเติมไปอีกว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยที่เราเคยเจอไม่น่าจะเรียกว่าความสุขมันน่าจะเรียกว่าความเพลินมากกว่าสนุกสนานเป็นพลินให้มันผ่านไปวันๆอย่างนั้นเห็นไหมจ้ะความรู้เพิ่งไปแล้วเออพอหยุดไปได้อีกระดับหนึ่งเออมันมีดวงธรรมภายในนะ ดวงกลมภายในมันก็กลมเหมือนดวงแก้วภายนอกแต่ทําไมมันความรู้สึกมันแตกต่างจังจากการที่เราเห็นดวงแก้วภายนอกกับเห็นดวงธรรมภายในเห็นดวงแก้วภายนอกมันก็เห็นแล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันธรรมดาธรรมดาแต่เห็นข้างในมันปลื้มมันลื่นเลิศเห็นภายในเนี่มันลื่นเลิง เหมือนกนาลังดูพ ล, ผลนเปลี่ยนไปอีกมิติหนึ่งเหมือนเราหล่นไปในสถานที่ลื่นเลึงที่มีความบันเทิงใจแตกต่างจากสถานที่ลื่นเลึงที่เราเคยเจอมันมีชีวิตชีวาไปทุบระบบประสาทและกล้ามเนื้อ และดูเหมือนมันจะขยายไปมีมีที่สิ้นสุดนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมเห็นไมจ๊ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมเห็นกายในกายแหละเออภายในนีมีกายมนุษย์ละเอียดมีกายที่ปลมหลุผมกระทั่งมีกายธรรมพัฒนาไตรในตัวเห็นพรัตนาไตรในตัว เพ็น <Okay, S 2> ไม่จชะความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนเราเอาถา่ปิ่นโตมาเปิดชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปอร่อยเพิ่มขึ้นแต่เป็นถั่วปิ่นโตี่ไม่มีชั้นที่สิ้นสุดเพราะเป็นชั้นเป็นชุดเป็นชั้นเป็นตอนเป็นภาพเป็นปลิตไปเลยเยอะแยะ สนุกสนานบุญบันเทิงนี่คือเรื่องราวความรู้ภายในที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งออกไปในมหาสมุทรแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีขอบเขต Unlimited มิตต์โนเลจเดียวความรู้ที่ไม่มีขอบเขต Oh, โอ้โหสนุกสนานเบิกบานไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะเราจะได้เรียนรู้เพิ่มกันไปเพราะฉะนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งกันให้ไขยันแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญจะเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนแหละร่างกายมันเสริมไปทุกทกวัน โรคภัยแค่เจ็บก็บปรากฏเกิดขึ้นความชราความเหี่ยวย่นที่เราไม่ต้องการมันปรากฏแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรียวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นใช้กายมนุษย์อยาบนี้นะให้เป็นประโยชน์นะลุงนะศึกษาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจของเราก็จะหยุดจะนิ่งได้ ประหยนนิ่งได้ก็เขาถึงความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำภาพเอาไว้องค์พระกลางดวงแก้วจำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆนึกไปแต่เวลาเราไปนั่งที่บ้านหรือในอารยบทอื่นเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไป เรฐานที่หนึ่งมาถึงฐานที่เจ็ดนะจ๊ะไม่หยุดมันนิ่งตรงนี้แหละให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสนึกบ่อยๆก็นึกได้นึกได้บ่อยๆก็เห็นได้เห็นได้บ่อยๆก็เข้าถึงได้เข้าถึงบ่อยๆก็ศึกษาได้ มันจะเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้เขาทำกันได้เยอะแยะเราเป็นคนเช่นเดียวกับเขานี่แหละถ้ามีความเพีเยรไม่น้อยหน้าเขาเราก็ต้องทำได้นะลูกนะเพราะจะนันต่อจากนี้ไปให้ตรึกถึงองค์พระไซส นั่งอยู่ในกลางโดนแก้วหันหน้าออกไปทางเดียวกับตของเรามองไปอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาหายฟุ้งเราก็หลับตาลงไปใหม่ปรับลรงเปลี่ยนแปลงวิธีการกันไปเรื่อยๆ ไม่ชาก็จะสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจปฏิบัติทํามให้ดีนะจ๊ะจะภาวนาสัมมาอรังประกอบไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรฝึกใจหยุดนิ่งให้ใจใสใสฝึกไปประคองใจไปให้ลูกทุกคน สมหวังดังใจในการก่อถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเหียบเงียบนะจ๊ะ